เขาทำมเทศสนาแผ่นที่110ลําลำดับที่24โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26มีนาคม2560นมีชื่อเรื่องว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้เลือกหญิงหรือชายโอ้ใช้เวลานานคณะสัทธา ญ, ญาิโยมลูกลาน ัอาหารวันนี้รู้สึกว่าใช้เวลานานมากขนาะนี้เวลา8นาเิกา50นาทีเกือบถึง9โมงแล้วลูกหลาเนเลยต่ก็น่าเห็นใจพวกพระลูกพระลานเพราะฉันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแต่ถึงยังไงเราเป็นพระต้องอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนไม่ใช่พระไม่ใช่เนน ก็เราต้องอดทนนะลูกหลานต้องอดทนขันติความอดทนจำเป็นในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแล้วก็ดูๆแล้วข้าวที่อาหารที่ใส่บาทหลวงพ่อมองมองเหลือบเหลือบมองมองดูเนโอ้โหกองพลันเหมือนภูเขาเลยแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราเอาคนละถุงเนะอย่าไปขีโรคไม่ได้นะ พอไปถึงแล้วโลบอันไห น, นอันไหนแบนอันไหนนมเป็นเลือกอีกไม่ได้นะเต้องหลับตาหยิบแล้วไปเลยเท่านั้นเป็นบุญวัสนาของเราเวลาเราใส่มิเตใส่ขนมเสียงไห้บ้หาเวลาจะได้อยากจะได้นุ่นนกขนมนมเนยราคาแพงแพงไม่ได้แล้วอันนี้สงไม่มีใช่ไหมล่ะก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะปารับ นิดหน่อยนะเพื่อไปให้ถ้าไม่อย่างนั้นก็มันขาดไปถ้าว่าไม่มีอะไรไม่พูดอะไรเลยมันขาดไปเพราะนั้นหลวงพ่อจะขอกล่าวนิดหน่อยวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบอาทิตย์ที่ยีสิบมีนาคมพุทธศักราชสองพัน้าร้อยหกสิบวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพระลูกพันหลาคณะสัตยาญาติโยม ที่ได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจทาบุญลํำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำที่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีจังอำเภอคำชะอีจังหวัดมกดาหารพี่ปีหน้าก็นี่แหละอาทิตย์สุดท้ายเนอคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนมาพร้อมมาพร้อมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแต่คุณแม่สีแก้วนะท่านจุดตินิ่เราน่านไปแล้วแต่พวกเรามาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเราเจะจากไปหรือจะไปในวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะขึ้นไป็ดกาบพระเจดีย์ของคุณแม่ก่อนก็ดีนะลูกหลานนะเนาพอกราบแล้วก็ขอพรจากคุณแม่สาธุเนอะผู้ข้ามาทําบุญในวันนี้ ข้าพเจ้าผู้ข้ามีความทุกข์กายไม่สบายใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอคุณแม่โปรดองประทานพรให้กับข้าพเจ้าด้วยเทิดนะขอพอรจากคุณแม่สักครั้งเพราะว่าพวกเรามาทําบุญแล้วนะขอพอรจากแม่เนะี่ยขอได้ง่ายกว่าขอจากพ่อนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านมาได้มานำมาทําบุญในวันนี้คราวนี้แล้วนะก็ ขอพอรจากคุณแม่เ่ะก่อนแล้วจึงค่อยกลับไปทำการทำงานจากนั้นก็เป็นคนดีและเทนีน่านะกับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็เป็นคนดีและลึกถึงพระคุณของคุณแม่แประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้เอาหนังสือแจกเมื่อคืนนี่แหละเอาไปอ่านเอาไปศึกษานะนั่นแหละด้วนแล้วจะเป็นหนังสือธรรมะแล้วก็ MP3 ของหลวงพ่อแจกไปก็นั่นแหละเอาไปฟังดู ฟังด้วยเหตุด้วยผลนะแต่ลงทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเหมือนกับโคบโทษชนาประชาสัมพันธ์ อ, อยากจะให้ตัวเอ็เด่นเด่นดังไม่ใช่นะถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดผิดนะคิดผิดแล้ว เ, เพราะว่าเอาหนังสือให้ก็ดีเอาธรรมเทศนาใน MP3 สให้ก็ดีนะหลวงพ่อบอกว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านว่าดูก่อนสารีบท เทตถาคตตรัสไปนี่พูดไปนี่เน่ยเธอเชื่อไหมภาษารีบุตรยังไม่เชื่อพระเจ้าค่านะเนีพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งเป็นหลายร้อยหลายพันฮือหากันโอโ้ท่านจารีบุตรนี่หัวแข็งหัวเื่อหัวรั้นขนาดพระพุทธเจ้าตรัสแท้ๆบอกว่าตัดถามแท้ๆยังปฏิเสธต่อพระพักดพระพุทธเจ้าได้โอ้โหแสดงว่าทานงตนอย่างมากนะพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย เดี๋ยวเราจะถามอีกทำไมสาริบุตรเธอจึงไม่เชื่อพระสาริบุตรกราบทูลว่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระพุทธองค์จะมากราบทูนเมื่อภายหลังพระเจ้าค่านี่แหละส่์ให้ฟังเอาไว้ถือสารีบุตรเป็นตัวอย่างถ้าได้ยินอะไรมาก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อให้ให้ฟังไว้ก่อนแล้วเมื่อ ฟังไปแล้วนำไปปฏิบัติเอาไปกันกรองไตรตรองหลายหลายชั้นนะแล้วเป็นความจริงอ่าเรียงค่อยเชื่อนี่อันนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะทุกวันในโซเชียลก็ดียูท b e ก็ดีเฟซบ o ๊กก็ดีมีต่างเยอะแยะพวกเราไม่รู้จะล้างหูไม่รู้กี่ครั้งกี่เที่ยวเพราะนั้นให้พวกเราฟังพอฟังแล้วก็ต่งการ ก, กรองไตรตองด้วยเหตุและผลนะแล้วยังค่อเชื่อนะนี่แหละหนังสือ ที่หลวงพ่อแจกไปกับมือลักษณะอย่างนั้นละ่ะให้พวกเรานำไปกันกรองไตรตองร้อยเหตุและผลแล้วก็พร้อมพร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้รไรทราบว่าเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาท่านมรณะภาพมาเป็นเวลาทั้งหกปีปีนี้เ่เป็นวันครอบรอบ6ปีเมื่อวันที่30มสมกราเพวกพระสงฆ์ทั้งหลายได้สวด อิติปิโสพะกวาแล้วก็ตอกเสาเข็มปังแรกพะงานเถอะสะเทือนสะทานไปทุกหัวไรแห่งเดี๋ยวนี้กำลังตอกเสาเข็มได้ประมาณ600้กว่าต้นแล้วนะคณะสถา ญ, ญาติโยมเสาเข็มทั้งหมดมีอยู่พัน1ต้นแต่เดี๋ยวนี้ได้ห0 0้เกือบ700ดต้นแล้วนะ่ะนี่แหละเสาเข็มหรือว่าเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาวัดปา่าวัานตาดดำเนินไปได้เรื่อยๆนะ แล้วก็ต่อไปก็คงจะหาบริษัทมารับเหมาในการก่อสร้างต่อไปเดี๋ยวนี้บริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มนะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเามื่อได้ยินข่าวเมื่อระดมข่าวนะต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อคงจะระดมจากพี่น้องสัตยาญาติโยมทั้งหลายนะเอ้ยสัตยาญาติโยมทั้งหลายนะเนอะหลวงตาเจดีของหลวงตานี่ถ้าเราจะเอาปูนปั้นธรรมดา ราคาก็เท่านี้แหละนะพอเดี๋้เงินพอนะปูนปั้นถ้าเราจะเอาหินเหินไว้แคลาลาหรือหินแกลนิตทําให้สวยงามจะต้องเพิ่มเงินเขาอีกเนะ้อลูกหลานเนะ้อพวกเราจะเอาสวยงามไหมหรือจะเอาปูนปั้นธรรมดาหนะลวงพ่อก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งถ้าลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยมอา้าวต้องเอาให้สวยงามสิพราะหลวงตามีคุณนูประการต่อประเทศชาติหาทองคําเข้าคลังหลวง ถึง13ตันแล้วทองและเงินดอนลลาร์อีกตั้งสิบล้านกว่าดอลลาร์ลงตามีคุณอูปการเมื่อเอาทองคําเข้าขังหลวงแล้วเป็นเครื่องประกันทําให้ธนาบัตรของเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นหลงตามีคุณูปการพวกเราจะทําเล็กๆน้อยๆได้อย่างไงเราต้องเอาให้ดีนั่นแหละข่าวนั้นแหละจะระดมทุนอีกคณะทายาท ย, ยมลูกหลานนะให้ฟังคอยฟังเดีนี้กําลังคณะกรรมการกําลังดําเนินงานอยู่ เมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินนะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนกับเราเนี่ยสร้างพระธาตุพระนมนเนี่ย น, นะนครปฐมนครศรีธรรมราชตัวสุเทพเชียงใหม่เมื่อเราสร้างไปแล้วเนี่ยถ้าเราเระลึกขึ้นมาได้เราก็ดีใจนะอย่างคุณแม่ชีแก้วเนี่ยท่านเคยพูดนะพวกคณะแม่ชีทั้งหลายคณะัตธาญาติโยมทั้งหลายถ้าจาได้คงจะจำทาพูดของคุณแม่ว่าสมัยก่อนนะ สมัสร้างพระธาตุพนมพวกข่าเคยเคยได้สร้างกับท่านเหล่านั้นอยู่นะพวกข่ามีส่วนนะพระธาตุพนมพวกข่าได้ทำํำได้ก่อสร้างพระธาตุพนมในยุคสมัยนั้นขนาดข้ามพบข้ามชาติมาแล้วนะท่านก็ยังดีอกดีใจเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบุญคือหลวงตามหาบุญคือท่านเป็นพระอรหันต์ท่านพูดอย่างนั้นเพราะไลเพราะท่านประ ก, กาศตัวของท่านแล้วว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วนะเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกนี่แหละอันนี้คือองค์หลวงตาท่านประกาศนั้นพน่อนานพวกเราเป็นลูกเป็นหลานขององค์หลวงตาเชื่อในบุญในคำตัดคําพูดขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้หลวงพ่อไป น, นสถานที่ใดหลวงพ่อก็ไปพอจะจบแล้หลวงพ่อก็ประกาศให้สัทญาญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบ ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเดี๋ยวนี้ดำเนินไปได้เรื่อยๆอยู่พอทั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลขององค์หลวงตากับคุณแม่ชีแก้วนะ่ถือสมึงเป็นหนึ่งเดียวเพราะเหตุไรเพราะหลวงตามหาบัวเป็นอาจารย์ของคุณแม่คุณแม่ก็ได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตาในเมื่ออยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าเออชีแม่ชีนางแก้วเอ้ยเจ้าอย่าภาวนานีหยุดซะเพราะเจ้าเป็นจิตใจโลดพน ถ้าเจ้าภาวนาไปแล้วอาจจะหลงทิศหลงทางก็ได้แอบหลว ง, งปู่งปู่มั่นบอกต่อไปภายภาคน่าจะมีอาจารย์มาสอนเจ้าจากนั้นองค์หลวงตาก็ได้มาเข้ามาสอนคุณแม่ชีแก้วพอคุณแม่ชีแก้วได้รับธรรมจากองค์หลวงตาหลวงตาก็เนี่รับรองว่านี่คุณแม่ชีแก้วเป็นผู้จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นเราเป็นอย่างไรแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นอย่างที่ชีทั้งสองคนได้โพดเมื่อคืนนี้นะ่ะ เป็นคํายืนยันขององค์หลวงตาจริงๆนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคุณแม่ก็ดีองคหลวงตามหาบัวก็ดีพวกเราในฐานะ ล, ลูกหลานถือว่าถือว่าทั้งองค์สององค์ท่านคือเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ได้เลือกหญิงไม่เลือกชายนะใครข้าวบ อ, อกผู้ใดปฏิบัติถึงเราก็ถึงมรรคผลไดออ้ผู้หญิงในครั้งพู้จการเป็นภิกษุณี เป็นพระอรหันต์มีมากต่อมากภิกษุก็เหมือนกันบวชในพุทธศาสนาได้เป็นได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มากต่อมากเหมือนกันแต่คำว่าผู้ใดทําความชั่วก็ตกนรกก็มากต่อมากอีกบ้างเกินไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะแะทนพระชายก็เหมือนกันพระตกนรกก็คือพระเทวทัตผู้หญิงตกนรกก็คือนางจินจามนวิ ก, การลงอเวจีมหานารกได้ทั้งสองทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปนิพพานก็ไปได้ทั้งสอง ทั้งหญิงทั้งชายเพราะนั้นคุณแม่พระองค์หลงตาของเราที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำภักสำหรับพวกเราที่ได้มาได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยากองคหลงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็พร้อมกันนี่ย่ะจูบ้านห้วยทรายกับหลวงปู่จามของเราเนี่ยมาปบบ่มเพาะอุปนิสัยของลูกของหลานจนเป็นผู้มีจิตใจ ร่มเย็นเป็นสุขในละแวกนี้ทั้งจังหวัดมุกดาหารทั้งกาลสินทั้งนครพนมทั้งยะโสธร อ, อุบลแถบแถบนี้นะทั้งหมดนะทั้งร้อยเอ็ดรนะวนแล้วจะมาเป็นสิทธิานุสิทธิขององค์หลวงตาเพราะนั้นพวกเรานับถือนับเนื่องว่าเป็นผู้มีบุญ น, นะคณะศรนะัทธาญาติโยมนะเอได้มานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้โชคดี เอาตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์จานุโมทนาให้พรรับพรเนตรนีเน้า